ความเพียรขึ้นได้ขอ้อกำหนดวาวันนี้ซึ่งเป็นวันที่25มการาคมเพื่อรักสิน8และสิน5วันมีสิน8ในวันพระเรื่อเหตุว่าลูกยังปรฏิบัติความเพียรรักษาสินสมาธิปัญญาภาวนาวิปัสสนากรรมฐานยังไม่ดีพอคุณงจึงขอเข้าความเพียรกรรมฐานในปีนี้เพิ่มเติมขึ้นอีก ปัจจามัยเท่าความเพียรรักษาสิ่งภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาทีปัจนากรรมฐานให้นับวันที่ยี่ห้าเกษายนสองพันห้าร้อยสามิสองตรงกับวันพุธปัจจัให้ปัจจายต่อหลวงพ่อครั้งสี่รัตนโกศอันเนื่องจากดูขห็นว่าในปีนี้ได้ปฏิบัติรักษาสิ่งทางควัมเพียนกรรมฐานได้ยี่สองวันโดยได้ออกมาในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่ยี่ห้าเกษายนสองพ้าร้อยสาิสองการปฏิบัติก็ยังไม่มีเท่าที่ควร เด็กลูกเป็นคัหัสกดถือสินห้าสิแปดในวันพระลูกสมควรที่จะเป็นผู้สารนิพพุชนอยู่ในวันวันพระอยู่ในวระวัติพุทศาสนาที่ดีกว่านี้ที่มีความเลื่อมใสศาสนาดีต่อครูบาอาจารย์และศาสนาต่อหลวงพ่อคำสีและพระนครลูกสมควรที่จะปฏิบัติรักษาถือทําความเพียรอยุัธศาสตรกรรมฐานในปีนี้ให้ได้ครบแปดสิบวันซึ่งตรงกับการที่พระศรีญาณิใจโยสร้างบารมีแปดสิบชั้น เพื่อถวายเป็นอุธบูชาธรรมาบูชาสังฆ บ, บูชาพระศีรีในใจโยบูชาหลวงพ่อกังสีท่านกคบบูชาต่อไปอันหนึ่งได้ปฏิ บ, บัติมาแล้วยี่สองวันก็ยังเหลืออีกห้าสิแปดวันที่จะครบแปสิบวันเรื่อปฏิบัติทําความเพียรนี้โดยแบ่งเฉลี่ยเป็เนเดือนไปแต่ถ้าเดือนไหนไหนไม่ได้ปฏิบัติก็จะเอามารวมกับเดือนถั ด, ถดไปโดยจะรับประทานอาหารก่อนเที่ยงซึ่งเหลือจากการถวายข้าวพระที่หิ้งพระตอนเช้าก็มีที่เสิร์ข้าวผลไม้หรือขอนม และก็จะรับกาแฟนม น, ฟ น, น, น้ำตาลระเภทโีนซิมน้ำบุหี่ดูกปกติและอาหารที่ไม่ผิดกดของกรรมฐานหลังกวามที้งไปแล้วลูกขอหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้ามาสมท่าหลังพระศรีในใจโยและหลวงพ่อพระสีแลนาโคตรและสิ่งักดิ์สิท์และสิ่งกริสกรส์สิสต่างๆ่างสิ่งศักดิ์ต่างๆ่างร้อการทาบุญต่างๆที่ได้ปฏิบัติมาและจละ จ, จะปฏิบัติต่อไปขอให้ดูได้รับผลบุญ สำเร็จมักคผลคิดสิ่งได้ให้สมความปรารถนาทุกประการเจริญท่านอายุวันละศึกษาภระทุติวาลาดีริย์ก็ดีราดีมีไทยผนบากเบีนมานไทยกรรมไม่ดีทั้งปวงได้ถึงพระนามีได้ถึงพระบาบาลมีของพระศรีญาติไตอันเป็นธรรมซึ่งท่านได้บิอกบิ๊ิจารุพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวได้ถึงบารมีธรรมของหลวงพ่อบางสีนนทคตเอินสาธุสาธุ พาะพุทธค่างขอถวายีจงยวพนังสานากะาีคุ่นางขาขอถวายชีวิตจางยะวนิพนานังสารนางะานีพะสังฆคู่นางขาขอถวายชีวิตจางเยาวนิพนพนังสารนางะานีพะศรใจยคุ่นางขาขอถวายชีวิจางยวนิพนานังสารางะานีหลวงพระทศีละท่าโคคุณนางขาขอถวายชีวิตัายาวนิพนธพนังสารนางกะชามีขอับสมภรณ์สมรเจิสาธุทุกทุก ศาสนานี่เป็นของที่ว่าจะนําสับศัพท์ทั้งหลายทั้งปวงให้ไปถึงยอดลูกพระปรินิพพานชื่อหมดที่เลียดซึ่งหมดความทุกทั้งหลายทั้งปวงในชาติที่พบนั้นซึ่งแม่นว่าที่เราอาจไม่ถึงพบเจอชาตินานนั้นพอดีที่เราจะหันมาเป็นมนุษย์พอดีหว ท, ที่จะให้เป็นมนุษย์ที่สวยงามหรือมนุษย์ที่มีสมบัติแตกต่างันใดจะดี อันเป็นเยี่องยางของพรอะอัญยเจ้าทั้งหลายคำ้งปวอันที่ไม่ประมาทประชันเราจะพูปเจรนาวันใดซึ่งที่โลกหีือเยดไหนไว้ไหนแลว้วก็ตามที่บัตบเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะยอมรับชาติส่วนหนึ่งว่าออสอบขั้งสองประ ก, การนั้นคือโกคยีครับ โปรบูดอดทรัพย์ทรูดีที่เป็นที่เราเรียกี้มาก่อนคือทัพย์นั้นท์ท่านจะเกิดขึ้นได้ก็แต่ว่าความประพฤติงานความดีที่เราทำํามสอนของพระสมมาสัมพุจ้าที่เราจะตั้ปัจจัอธิษฐานคือการติดธนาให้น้อยตามรอบกอดหลงงไปที่จะตรงเห็นว่าทรัพย์นั้นว่าเกิดขึ้นด้วยกปัญญาธรรมหรือด้วยการความคิดธรรมที่ ให้เป็นรากฐานที่จริงกระติด ท, ทั้งหลายรับเป็นพยานรากฐานนั้นก็คื อ, อมีอินทรยมพิบานจักษรคประวัติทัี่หรือสระปุเจ้าที่พระธรณีนั้นมันเป็นอาตุสที่ตัวแทนรักษาพราสะธรรมกรรมสอนของพรสะสมัยสมศรีจา่าพิรบุตรสุดท้ายภายหลังหรือปัจจุบันตา่างผู้ที่มีได้อัตภาพดีมีคุณค่าดีเป็นสตีหรือบุรุษ หรือเพศไหนวันไหนก็นตามถ้ามาพี่เยน า, าสิ่งดังนี้จึงจะเกิดผลที่งานนี้ได้รับสมยอปราถนาคือสติระบบุษนานนันขั้นใดจะดีที่เราเอาความเพียรมาถึงที่จุดหมายปละยทางที่ยี่สบสองวันคื อ, อาสามสัปดาห์อันเต็ ส, สัปดาห์นั้นเราจะทำเพียอเด่นะวันเวลานันานำถึงสัปดาห์ทีนี้ก็ที่มอบ คามจริงหรือความศักดิ์นั้นทางกายสำคัญที่บูิชาพาระพุทธเจ้ากระทาอ ร, อราหันต์ที่จัดว่าเป็นพรระัฒนาใจที่สร้างนรรมอริใจของเราอันที่มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายยี่มั่นคือมันว่าเป็นทัพย์อันก็สดลำเลิทรัพย์ทั้งหลายของปวงคือพระัฒนาใจอันเป็นยอดทรัพย์ในโรคโคดอหรือยอดทรัพย์ไนโรกจ ท, ทั้งใดก็าตามทรัพย์ระการนี้คือพุทธรัตนนั้น ธรรมรัตน์สารรัตนะ3ประการนี้เป็นทัพย์ที่ยอดยิ่งและยอดเยี่ยมมีคูณค่ามหาศาลัดกรับในส่วนโลกีสักปันในของมนุษย์เทพยะด่าสาตางขึ้นเป็นเงินทองกองเจ้แหวนแสนซิ่งรัตมาชนีจินดาอันอยู่ในเมืองฟ้าบนสวรรค์ก็าตามอยู่ในมนุษย์โลกไขยว ร, รกดก็าตามอยู่ในระบุคนข น, นั้นๆไม่เกียดและไม่มีเกียดก็าตาม นั้นนั้นอาจจะหาคุณค่าราคาไม่เท่าถึงว่าธรรมพระพุทธไม่เท่าถึงพระธรรมไม่เท่าถึงพระอรหันต์คือพระริยสงฆ์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นรัตนะรัตนะแปลว่าชอบอันชีพเกษตรกรรมเริ่มขัดรัตน์เพราะฉะนั้นเราจึงยจะมัน่นคือมั่นเอาที่ร่างกายและอัตภาพสันขันของเขาที่อันเขาให้เรามาก่อเกิดในสงสารคนสวยกระทํางาน หรือกระ ท, ทากิจการความดีรอยยูเนโรจีวิสัยโลคนี้เป็นวิสัยโลคที่จะสวา่างหรือมีหผลผลีไม่ประมาทในสังขารของเขา น, นั้นๆที่จะเอาเขานนั้นทั้งที่เป็นเพื่อญาต์ปัจจุบันนีดามานดอดของเราที่ให้อัตภาพมาทือบุคคลเพื่อนศัตรูหนัน้นๆอันติดตลอดทั้งปัจจุบันหรืออดีต ท, ที่ผ่านพ้นมาจะเป็นเพื่อญาติิดามาด่าคนไหน หรือญาติการพงวงสาวเพื่อนศัตร น, นั้นอันที่ผู้ที่มีอุปการะบุญควรตามหรือไม่มีอุปการะก็ตามที่เป็นนี่เป็นสินกันประการใดนี่สินอันที่เรียกว่าพิดามดหรหรืออุบาอาจารย์อุปชายะนั้นก็อนหน้าเป็นมี่สินอันส่วนใหญ่หรือพระพุทธเจ้าพระธรรมอรหันต์เราเป็นนี่สินก็เป็นส่วนใหญ่ ส่วนโรคยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจะสระนี่นี่นั้นหมายถึงว่าุณการความดีกับบคุคคลผู้ที่กรรมากรหรือให้งานสิ่งที่คุณงามความดีซักในโรกีหรือโรคนดของเรามีพระสมาสมธาิเจ้าหรือพ้พี่ให้อัตภาพเป็นบุภายการบคุคคลเป็นดีดามดอนหรืออุปัชายะ หรืออาจารย์ผู้ให้โอวาทและอคำสอนเป็นแนวทางที่เราจะประพฤติปฏิบัติเป็นบรรทัดที่จะมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายจะเดินตามรอยครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้โอวาทหรือคำสัสอนฉันใหก็ตามที่นั้นเรียกว่าบุพภารีบุคคลเพราะฉะนั้นเราเป็นนี่บุพภารีบุคคลกัตติโยกัตติเมธีผู้รู้คุณกุลบทหรือสานุสิทธิ์หรือทั้งหลายนั้นเรียกว่าเป็นผู้จะประพฤติปฏบิบัติตาม ทั้งที่เป็นบุพาการีรือใช่นี่เอาที่จะให้เอาคุณงามความดีกับบุพกรีนั้นๆก็เป็นยอดว่าปราศหรือบัทชีผู้ฉลาดของบุคคลผู้ที่เกิดมาขลหวยอยู่ในวัฏสงสารอันจะหาคนทางดีเดินในโรคีนี้ไม่มีสะดุดหรือไม่ีปวดหนามหรือไม่มีสร้างเสือรปนิศราแต่ฉันใดก็ตามโรคีนี้มีต้มีปวดหนามมี ตหรือมีเหว ห, หรือมีแม่น้ํารือที่ลําธารทะเลหลวงอันกวงใหญ่มีจระเข้ตาอาทิตย์ทุกช่อนโดยสัตวตรายกาดชั้นใดเราจะทําเพียรหรือพาหรือต่อสู้สิวันนั้นจนอุปสรรคสิ่งนั้นจะรถไปด้วยสติเอาเป็นหางเสียเอาทายเร็วให้ดีไม่ประมาทเพ่เราจะพยายามจะทําให้อ่าเอาคาามศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมคือเอาพระธรรมพระธรรมนั้นๆที่อันอยู่ใน จักกะบาดโลกนี้ที่สารนุทิททั้งปู้อันมีอยู่ในสัพยูพุติจ้าทั้งหลายอริยเจ้าทั้งหลายอรหันตเจ้าทั้งหลายโพธิสัตวเจ้าทั้งหลายอันพระธรรมนั้นที่พระอริยะนั้นนนั้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัตหรือทรงเจียดไว้แม้ตลอดถึงที่โมนีนดาบุตรสีโยชีประตามผู้ที่มีพลั ง, งความดี่ชันจะมาบัตหรือแจก ด, จดตาตบะเดชฤทธของพระองค์นั้น ผู้ดำเนินตามที่กระดูสีหรือพมโรคชั้นใดที่อยู่ในชั้นนริยะเช่นกันอนทางพระนิพพานเพราะฉะนั้นที่เราปรารถนาเอีเอาคุณงามความดีที่กลับรู้ปฏิบัติธรรมด้วยสัจธรรมของเราที่ผ่านพ้นมาเป็นที่ยาบริยาดหรือปรมัตหรือเป็นฟักอันที่ประเสริฐที่เราเ ด, รดียร์ลาได้ด้วยกายและสังขารเระพฤติปฏิบัติผลงานที่นา อยู่ในลักษณะสินห้าสินแปดอันสินติดก็ตามสินใดๆก็ตามถึงจะมหาสินแม้จะเป็นสินนั้นๆก็อาศัยว่าสัจธรรมสมาธิหรือปัญญาสินรักษากายวิาจาจิตใจหรื อ, อสามประการนี้ให้สภาพเรียบร้อยดีได้สึ่งวิสินเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสินพรมรอาจัดอยู่ในการที่ฐานว่า รักษาไว้ซึ้ง อ, อุโบสถถิ่นนั้นๆที่จะให้เป็นทรัพย์ ED, อยันประเสริฐหรือเกิดในปัจจุบันอนาคตก็าตามเพราะเราหวังปัจจุบันอนาคตรูปธรรมสังขารของเราที่อยู่ในปัจจุบันนี้หมายถึงว่าปรารถนาทรัพย์อยู่ในปัจจุบันหรือส่วนหนึ่งอยู่ในอนาคตที่เป็นโลกีก็าตามนะเป็นโลกดอนตามกา็โลกดอนรำก็าตามนั่นเรียกว่า อาทรส่วนที่บุคคลผู้ปรารถนาดีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราจะเอาอาคุณงามควอมดีโดยในศักตว์ดําเนินการแนวทางตามที่เราได้ศึกษามาหรือรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ดีหรือยอดปรารถนาที่จะให้มนุษย์ดียิ่งๆขึ้นไปตลอดถึงอะไรก็ตามที่หน้าที่การงานหรือผลงานของเราที่จะให้สงบไปแห่งบาปหรือกรรมและเวร น, น, นั้น ที่ครอบอยู่ในวัฏสงสารที่เราหลงทําไปที่เราหลงประพฤตไปเพราะกับนั้นนั้นหรื อ, อทําอาธรรมนั้นๆเราจะไม่เอาเราจะไม่เสพหรือเราจะไม่ประพฤติเสพแปลว่าประพฤติหรือในร่วงเกินไปเราจะเอาท่าแต่ธทมที่ส่วนดีเป็นมนุษย์ในอยู่ในทางโรกีหรือโรกุดอดอันที่จะไม่ให้ไร้ผลหรือประโยชน์ปัจจุบันอนาคตเป็นที่นี้ตั้งชื่อว่า ในการบกพรอถืออัตภาพหรือสังขารของเขามาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ดังนี้เพื่อขวนขวยหาสิ่งที่อันที่เราปรารถนานั้นก็คือส่วนหนึ่งของพระธรรมพระธรรมนั้นจะทำให้รู้ให้รู้ซึ่งในการารู้ดีรู้ชั่วรู้ประโยชน์ทั้งที่เป็นไฟที่วิ ช, ชาสามที่เรียกว่าจารณะสัมปันน โปรการ่าวิถูหมายถึงบางให้รู้แจ้งโรครู้แจ้งทำดังนี้โรคนั้นเป็นไงทำนั้นเป็นยังไงราะฉะนั้นจะจริยกสามประการนี้ยิดชาสาประการนี้นั้นก็คือบแพงในวาสานสติญาณที่เราการระลึกชาได้ในศึกษาวิชาการแห่งญาณ น, นี้หรือวิชานี้อาจรู้สึกได้ดังนั้นก็อาศัยว่า ซึ่งพระธรรมคําสงสอนของพระสมมาสมพุทธิเจ้าที่เราปฏิบฤติปฏิบัติเอาได้ซึ่งแผ่ดาหรือและเอี่ยนถม น, า น, านันนันมันจะมอบหมายให้เราหรือผู้มีเกียรติศักดิ์ศรีมีพระพุทธเจ้าหรืออริยเจา้าโพธิสัจเจ้ามอบให้เราได้โดยดังที่ใจหวังดังนั้นจึงชื่อว่าวิชานหนึ่งที่เรียกว่าบุพเพนิวารสารสติญาต จะถูกกระปารติยานรู้จักจุติเรื่องกำเนิดของโมสัตทั้งหลายหรือตัวของตัวเองดังนี้ก็ถือว่าการเที่ยวสงสารเว้ยนยกไว้แต่ว่าอาสวัค ย, ยานยานที่วิชฉสามเป็นยานที่เฉียบขาดหรือยานที่ไม่มีอำนาจสูงสุดยานวิชาที่บทในการทกิเลสทั้งพวงกิเลสนั้นนั้นอาจจะไม่หล่อเหลืออยู่ด้วยมรคนมรสีคนสี่ หรือผลของพระอาหารหันต์ดังนั้นที่ขาดเชื้อไฟแห่งภพทั้งสามจะไม่ติดอยู่ในภพใดๆทั้งสิ้นคือมนุษย์กรามภพรูปภพอรมณภพไม่ติดหรืออยู่ในที่อบายจะพรมก็ไม่ติดดังนั้นจะเป็นตักตัวไหนหรือใครตัวหนึ่งที่อยู่ในพรมหรือสถานนั้นไม่มีแล้วเป็นทั้งนี้ถือว่าเป็นที่ เ, เรียกว่าลิชาสามอันที่เป็นวิชาสัญยอดวิชาที่ เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเครืออาศยามยัคคัยญาณทั่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกเว้นเพราะธรรมเพียนไปตามจดหมายหรือตายทางหรือตามพบแม่บอกพบนี้หมดพบน้าเกิดมาเราจะทําต่อเป็นสเสบียงเรียงตนหรือเป็นคนที่เที่ยวเกิดในวัฏฏะสงสารเพื่อให้ผลงานนะักเกเรตส่วนอื่นนั้นใหาเราให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นดังนี้เราชื่อว่าในการกระเพราะปฏิบัติ อยากได้ถึงพระธรรมคําสัมสอนเป็นผู้รัวแกงเป็นปาทคนหนึ่งหรือเป็นบัณทิตคนหนึ่งที่เจรนาที่ให้ลูกอันิสงได้เกิดขึ้นปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้ทั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีกียรหรือเป็นผู้ที่มีความประพฤติอาศัยว่าในฐานอาการศึกษาพระธรรมเราจะเป็นผู้ที่สบายหาอ่า ณสัพว์ที่ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติถามไปในแตมสัจจาที่ฐานในการทรมานตนแรกเอาดวงอยาดีเศษหรือเป็นข้าเป็นโมนิทิของพิดามดอนเป็นคุณเขาที่ให้มาเกิดณนะสมสารดังนี้ เพื่อให้เราได้สําเร็จและร่วงไปแห่งไ ก, ก่รกรรมเมื่อกี้มันอกอันที่เปรเียดด้วยบาป ท, ทำกรรมอกุศลมาแต่อดีตหรือปัจจุบันก็ตามจะไปคลองโยนกรรม น, น, นั้นด้วยโมหะและความร้องโดยโทอศคือกรามโกวดด้วยโลภเพราะความรอบรอบในสิ่งนา้นๆรอบที่ยังที่ไม่มีประโยชน์นะนั้นๆก็าตามเป็นนิสัยสันดานของรุตุชนและคนหลงเพราะฉะนั้นเราหลงไปแล้วได้ชั่วข่าว ที่นี่เราได้เจออริยะหรือพมาสมพาธิเจ้าหรือพระโคติสั์เจ้าและวกดีที่จะเอาคุณงามความดีตลอดชีวิตหรือชาติไหนๆที่จะให้เป็นพื้นฐานของตัวนี้เป็นผลงานเป็นทุนอันยุเนศสงสารให้เป็นการละเอียดหรือเป็นการที่ จะไม่ได้ศึกษากราบไถ่ทั้งสิ้นแม้เราที่เกิดมานะคับนั้นจะมีความสุขหรือความสบายหรือมีวิชาที่ติดตัวไปด้วยายารที่จดจํานําเอาพระธรรมคำสอนของพระสมาสมพุทธเจ้านั้นให้รู้ละเอียดหรือให้รู้ดีแปลงผู้บวชหรือปฏิบัติดีไม่รอบครอบดีดังนี้อันจะเกิดจนใ น, นบรรดากับคนไหนหรือบิดาคนไหนแล้วก็ตามอาจจะได้เป็นผู้มีคุณงามความดีหรือโลจีก็เกิดมาด้วย ซับเกิดมาด้วยด้วยความดีนั้นๆอันเกิดมาแล้วยอมเป็นที่บูชาของมนุษย์หรือเทพปรยะยดาให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีดังนี้เพราะฉะนั้นอาเราปรารถนาคนทุกคนปรารถนาแต่ว่าถึงปรารถนาแล้วไม่ทํายอมทําความดีประพฤติปฏิบัติตามคําสอนหรือโอวาทของ พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมคือธรรมสอนของพุทธเจ้าเอาเข้ามาในอุระคือ จ, จิตใจ สันดานสังขารของเราแล้วไม่แรกเอาเลียนเอากายสังขารของเขานักรบนนั้นพลาดนั้นแลกเอ า, อาบูชาพระรัตนไตคือยึดเอาทรัพย์ดวงประเสริฐีให้เกิดคือในสันดานให้กองสายทันใดกระดีมนุษย์ละคนนั้นอาจจะตกอยู่ในกองทุกข์ยากลำบากอาจจะพิชิตไปด้วยความอาวุาบกรวายหรือสันดานรกหรือมือดมนอนทการทั้งนี้ อาจจะเพราะคนที่ไม่รู้ดีอาจจะเป็นคนเขาเบาปัญญาไม่รู้ที่จะศึกษาด้วยตนเองให้เกิดคุณงามความดีแต่ที่ทิพระสูตรหรือที่เกิดมาหรือคลอดมาก็ตามนภนั้นอันที่เป็นสังขานเขาทำน้าชาติ น, นั้นถ้าหากว่าเราทำดีเราก็จะสู่ไปสู่บิดาดาที่ดีดเลิศขึ้นไปมีพระโพธิสัตว์หรือพุทธองค์นั้น เปลี่ยนผู้ที่เที่ยวสงสารหรือในการที่รักษามรดกของพระอริ ย, รยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประทานหรืออรหันตเจ้าสาวกนั้นๆั้ว่าจะอยู่ในพระโพธิสัตวเจ้านั้นๆอันเพราะฉะนั้นคนเราก็นับว่าปรารถนาที่จะไปเป็นพื้นฐานอยู่ในกับติดกับท่านอริยนั้นนั้นเพื่อให้แนวทางหรือเพื่อให้เกิดคุณงามความดีทั้งนี้ พราะฉนั้นในวันนี้จุดหมายที่เราอธิฐานได้สมสั ป, ปดาห์ที่สั ป, ปดาห์หนึ่งบูชาพระพุทธสั ป, ปดาห์หนึ่งบูชาพระธรรมสั ป, ปดาห์สุดท้ายก็บูชาพระอริยสัจสองหรือพะอระอรหันตสาวกนั่นนี้ในการที่ทำความเพียรคุณงามความดีนะจบความรบไปด้วยสัจธรรมเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเสิงบ่าสัจธรรมหรือการปฏริบัติธรรมตามศรัทธาหรือความ เชื่อมันอ่นอดวันอดคืนอดร้อนหนาวเยี่ยวหายอดลำบากกากรรมอดระดมควาทุกข์นั้นความเจ็บหรืออบความแย่อดความตายทั้งใดขอให้เป็นอา น, นิสังสง์ยังพระรังอา น, นิสง์ที่จะบังเกิดขึ้นเด็กลกนี้ต่อไปเพราะของสิ่งสถิต ท, ทั้งหลายทั้งมวลมันมีอยู่ในท้องฟ้าโลกยักรวาลมีพระพุทธเจา้าอรยาิยเจาทั้งหลายที่ตักข้ามพ้นสงสารวัตรไปแล้วนับไม่ท้วน ที่ประมาณเิถีนเมทสายพระพุทธเจ้านั้ น, น, นตัดไปหลายนักแต่ปฐมวรมคูมาสุดท้ายพระศรีสกิยมณีพระโคดมตลอดถึงพระอ า, อาริยะ พระโพธิศัตว์นั้นที่เป็นเชื่อหน่อพุทธังคูหรือพุทธครูผู้ที่จะมาเลี้ยงและตัดเป็นพุะติจ้าต่อท่ายศาลยนาคือปสะศริยธรรมตัยหนบรมหมกโขมีศาัลย์นาคเปรียงงามเพียงงามตกาติหรือภาษาไว้หน้าใบตาเสมอกันอันอยู่คนอยูนั้นอยู่ในเครื่องทิพย์ไม่มีใช้รวดแรงเบียดเดินแรงกายต่อแรงงานไม่มีงาน ก็าอาจจะมันดาดด้วยเครื่อนทิพย์นั้นๆตุณะวิมารตามลําดับชนนรกหรือชนนรคทั้งหลายทั้งปวงพระชนนทรคทั้งหลายทั้งรวงอยู่ในวัยแปดหมปีฤทธิ์ุณะความดีปรมีของคชนโรคนั้นสร้างมาเมิมาเพื่อพระพักศาสนาในยุคนั้นชีวิตสำคาญจะเจริญไปเป็นแสนแสนปีหรือล้านล้านปี ตลอดทึงอาสงไขตายไม่เป็นหรือต่อจนกวาดมนุษย์อยากตายเทวดาผู้มีเศษหรือจะมาย่นย่ออายุของมูสัตว์นั้นให้ตกอยู่ให้เขาได้อยู่เป็นืนปีเขาเรียกเราตามใจชอบดังนั้นณหนะยกนั้นชื่อว่าเป็นยกที่ที่มีเมตตาธรรมต่อกันและกันที่สัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนกันไม่เข่นข่ากันแค่หนูกับฝังตอนหรือสุนัข ก, กับ เสือดังนี้กับมิคราชก็ไม่สตโตูกันคนทั้งหลายก็ไม่สตโตูกันสามีก็รักอรญยาไม่นอกใจรยาก็รักสามีดังนี้เป็นยกของพระศีหรืออริยเมตไตรลงมาเรียงรัตตเป็นมัฒมาสมพุติเจ้าในเมืองเจดูบดีมหานครเมืองพาราณาสีเปียงมาเป็นเมืองเจตูเ จ, เจตูบดีมหานครมีพระเจ้าสังขราจักษ อยู้ยิ่งใหญ่อยู่ในรัศมบัติแก้วเจ็ดประการอยู่วิมานทองคําอันสูงขึ้นได้ยอดหนึ่งที่รองรับสังฆราชชื่อเวลานั้นนอและการเทวบุตรผู้จุติลงมาเกิดฤกษ์ประสาททองคําจมอยู่ทะเลสาบทุกวันนี้จะพุทธรองรับนอ ก, การเทวบุตทมาเป็นพระเจ้าสังฆราชแต่พระเจ้าสังฆราชอยู่ในอํานาจของทศรมภาพ เพราะยุคนั้นสมัยนั้นเขาจะยกพรามเป็นใหญ่คือสุพรมาพานเป็นพุทธบิดาสุพรมธพามณีพรามณีอันเป็นพุทธธรรมดาอันเป็นแม่ของพระศรีอริยเมตตยโพธิสัตว์จุตดีเทวดาเอ็นพรมมืนโลกธาตุไปรัตนาโพธิสัตว์มาตัดเรียงหลักเป็นกำหนดจบกระบวนทวบบรมีนะนั้นสมัยนั้นที่มาเกิดอยูกับนาง ร, รมนีหรือสุพรมมภพเป็นก็ดังนี้พระองค์ที่เกิดมาอยู่ในว้สองเมื่นปีสองหมืนยีบห้าปีของราชสมบัติแต่อายุสิบหกปีกับนางาจันทมกุกขีได้ลูกชายชื่อว่าพาวสารีราชดังนั้นออกมาในะวันนั้นขอเสด็จนี้ ไปสู่ท ร, ระนเรศรมบัณฑชาเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ไปทาประเพียนอยู่เจ็วันแม่สรสัตย์ทั้งหลายมีพระเจ้าสำเร็จจับหรือประชายชนพระบง่งสารหลวงญาติญาติทั้งหลายทั้งภระระยาทั้งปุถุที่ขอดวร น, านสารีราชก็สเสด็จตามาไปบรรฑชาติแล้วก็พุทธปฏิบัติกับศรีอริยปิัยโพธิสัตว์อธิษฐานเป็นสมณเทศขอดาวเป็นฉาดา หรือตัดเมารีอธิษฐานขึ้นดังที่พุทธิเจ้าของเราที่พระเจดเก้าเมารีพระยิ่ธาธเทวราชเอาไปบรนตุเป็นาธาตุรรมานีเช่นกันแล้วก็พระองค์ทมความเพียรอยู่เจ็บวันเท่านั้นนับว่าพระยะมานยกขับมาเพื่อจะชิงชัยแม้ยังเตรียมพลนโยธาแล้วนี้ก็นับว่ามีการพ่ายแพ้อปรัยไปเพราะพระยะมาน ไม่มาไายได้ก็อำนาจพระศรีอริยเมตไตรโปริสัตย์เอาความอริยทุกนายเจ็ดวันเป็นอันเกียบการจัจจโรพานุสรสมาสโพธิญาณประการเป็นพุทธเจ้าภายในเจวันพระองค์ก็ประกาศอ่าไทยวดาอินพรมก็มาอาราธนาให้พระสธรรมเทศนาคือพระธรรมจักกับป ร, ระวัติศาสูตรแจกพระวงศส า, โ น, โานุบงออมทั้งอินทั้งคมได้บรลุกเป็นพระอาหารหันตินาสาวก จ า, ากจักษดัานีการวันนั้นท่านใดเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นคุนงากรมีสีอะไรอย่างใจแม่อยุดกองไยจากร้วนพระองค์ใดก็ตามที่เป็นโพธิสัตว์เพื่อนพี่น้นอง้องไปกันเชื่อกันพระโมคคโลธรรมราชธรรมส า, านาาีภุพารังนาบรตหภูธรัมศีมณีปเทบวตเทว ข้าติดต่อกษัริช์สุาออมากรสิทธิพระองค์แม่บารมีพระองค์นั้นที่เป็นสังขารหรือไม่เป็นสังขารอยู่ทีไหนูปนะยันโทมทเทราซาเกียรติมาในาการบา ร, รมีพระองค์นั้นส่งมาถึง ท, งนนทีนี้เพื่อให้คุณอ่านความดีเพื่อคุณ บ, บุญโดยสารสิทธิหลบบ้า น, น, นทั้งหลายผู้ที่มีผลงานปฏิบัติเและติดตามมา ในชาติอดีตปัจจุบันนี้ก็ตามขออนิรับผลประโยชน์อยู่จัตุรัสสประการหน่นอายุส